กระโจนไปเลยในเ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 اللهم ن ب ك أصبحن، ا و ب ك أمسينا، و ب ك نحيا، و ب ك نموت، و ي ل ا ك ك ن نشور. أعوذ ب ك ل ِ م ا ت َ ل ل ه ِ ت ا م ا ت ِ م ِ ن ش َ ر ّ مَا خ َ ل َ ق ب ِ س م ِ ا ل ل ه ِ ا ل ذ ي ل ا ي ض ُ ر م ع ا س م ِ ه ِ ش َ ي ء ف ي ا ل أ ر ض و َ ل ا ف ي ا ل س م ا ا و ه و َ ل َ س م ي ع ا ل ع ل ي م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 س ب ح a ن الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة ع ر พี่น้องที่ร่วมนมารสุบฮ์ที่มัสยิดของล l l a h และพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่อยู่ที่บ้านที่รักทุกไลรับนฮัมดุลิลลา ที่น้องผู้คนจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์จะรเสริญต่ออัลลอ์พูดชมเชยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาภาษาที่ใช้ก็คือภาษาที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้นะครับให้ใช้ภาษานี้สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺอัลกัรลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์สุบฮานัลมัลิคิกุดดุส لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير เนี il ah la, ่ยเป็นภาษาที yeah, dai, ่ท่านนบีได้สอนและนบีก็ปฏิบัติเองด้วยบรรดาสาวบ้านนบีก็ใช้ภาษานี้แหละสรรเสริญชมเชยอัลลอฮ์ซุลตานะฮูวาจาให้ลิ้นของท่ามนุษย แทนการด่ากันตำหนิกันนะครับต่อว่ากันเอาการสารเสรินชมเชยอัลลอฮ์เนี่มนยมาใช้ในชีวิตประจาวัน <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะก็ุตาละนะครับี่อัลลอ์ให้เรา ม, มีโอกาสได้มาทบทวนคุรานนะครับอ่านอัลกุรานโดยอาจารย์อิมรอนเป็นฮาฟิสนะพี่น้องนะมันจะธรรมดานะ มาอ่านให้เราฟังห้มามดือดเดือดแล้วก็ตอนนี้เราอ่านคุณอ่านมาถึงสู่ร้องอังกะบูธอังกะบูตนี่แปลว่าอะไรแมงมุมนะครับทำไมต้องพูดเรื่องแมงมุมเตือนสติให้คนที่อ่านกุณอานนี่ให้ท่านนาบีให้พันดาวซาบัดและพวกเราที่อ่านคุณอ่านนี่ต้องนึก ทำไมเอาเรื่องแมงมุมมาไว้ในกามีกุรานและตั้งชื่อซูรอด้วยนะซูรอดอังกะบูซูรอแมงมุมก็ <c oughs> พื่ให้เราใช้ปัญญาไงอ๋อใครที่มีอักีดาที่ไม่ถูกต้องนั่นอักีดาที่ไม่เอามายึด Allah, อัลลอห์เป็นอัลลียเป็นวาลีเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยนะอัคีดาของขาการยึดปฏิบัติของเขานั้นไม่ต่างอะไรกับแมงมุมหรือว่าใหญ่แมงมุม นึกโอ้มันเปลี่ยนเธอก็ค่อยเรียนค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาเรียนเรื่องอัลลอฮ์ดีกว่านะอย่างศีลธรอัลลอฮ์ Allah มีตั้งเก้าสิบเก้าพระนามเ <c oughs> มื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรานำกุรานมาสุร่าอังกะบุตรอายะที่ห้าสิบสี่นะครับขอทวนนิดหนึ่งนะพี่น้องชาวอาหรับมุชริดในนครมักกะนี่นะ่ะขอร้องนบี เร่งนบีว่านําการลงโทษมาไว้ๆสิว่านาบนสอนอานนีสอนอย่างงั้นสอนอย่างงี้ตายแล้วต้องฟื้นถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์จะต้องถูกลงโทษที่นั่นที่นี่นบีก็แนะนําอ่านให้ฟังก็ท้าเอาการลงโทษมาเลยยาสตาจีลูนกับิลลาจะขอร้องเร่งนบีให้นําอาดาบมาไวๆ้ๆ อัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาจะลงอาสาบเนี่ยอัลลอฮ์พูดเรื่องจะหันนำแทนแทนที่จะลงอาสาบเช่นสึนามิแผ่นดินไหวน้ําท่วมไฟมาไฟไหม้ในประเทศอเมริกาอรียไหม้ไหม้ใหยุดยั้งตัวเนี้ยหยุดยั ง, ง ย, ยั ง, ยง อะไรก็ตางใจที่มันเกิดขึ้นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอาสาบหมดแต่ทีนี้แทนที่จะมีอาสาบอัลลอฮ์ส่งย a h a n น a m ทําไมส่งย a h a น n a m j a h a n n a m นี่เป็นอย่างี้เรานี่อย่าคิดว่าเรานี่อยู่บนดุนยานี่นานนะอย่าคิดว่าอยู่นานนะลองตายปั๊บนะถึงอาคริรอเลยนะใครลองตายตอนนี้เดี๋ยวสิ นี่เราตายภาพเนี่ยวิญญาณถึงอาคิรอดเลยมันไม่ได้นานอัลลอฮฺอาคิรอถึงเลยภาษากรุาเาว่าไงเรามั้ยรอดเดินรอดันรอดินพรุ่งนี้ฉะนั้นดุนยาวันนี้พรุ่งนี้อาคิรอดดุนยาคือวันนี้พรุ่งนี้คืออาคิรอดแสดงว่าชีวิตดุนยาเนี่ยสั้นมากนี่เตือนคนที่อ่านกรุานอย่าหลงดุนยาเยอะนะครับ อ่ะทีนี้วันนี้มาอายาที่ห้าสิบห้านะครับยามายระชากุ่มละซาบุมิ่งเฝกิหิมว่ามิ่งใต้ที่อารจูลิหิมฟายาคูลุยุคุอามากุนตุมตั้งมาลูนยามายระชากหุ่มละซาบ มิ min min im, um ่ม فوق ิม ومن تحت أرجل ิ م ويقول ذو قوما كنتم تعملون الحمد لله ที่นี้อันนี้นี่ยนะ เราต่อการที่จะบอกว่าเวลาอาสาบมาเนี่ยมันมาแน่ๆอยู่แล้วแหละอาสาบเนี่ยมันมาแน่แต่ไม่ได้บอกวันเวลาว่าจะมาเมื่อไหร่เพื่อให้บอกให้เตรียมพร้อมอยู่สม่าเสมอมุมินจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่โกนกาเฟ่เนี่ยมันไม่ได้เตรียมอะไรหรอกมันแต่ทาทาทาตำหนินะีว่า การลงโทษเนี่ยเยาวมายาคชาหุมุลาจะเย้าแปลว่าวันหนึ่งวันซึ่งยาคชาแปลว่าครอบคลุมหรือว่าปกคลุมยกคชานี่แปลว่าครอบคลุมหรือว่าปกคลุมในทางดีในทางชั่วด้วยนะในทางดีมีไหมมียักยายชาอะโรมา ความเมตตาเนี่ยปกคุมพวกเขาไว้เวลาเขาอยู่กับศาสนาเนี่ยอลัลลอฮฺจะให้รมาะห์มาเนี่ยมาปกคุมเขามาครอบคุมเขามาห้อมล้อมเขามาดูแลเขาแต่ถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยอลัลลอฮฺก็จะส่งอาซาบมาทําะไรนะมาครอบคุมเขายักษชาเนี่ยแปลว่าครอบคุมทีนี้ เยาวมายกษัหูมุลาจะการลงโทษนี่นะจะครอบคุมพวกเขานี่เอาล้อเล่าให้ฟังอาดาบนี่มันมาแน่ไหมมาแน่มาจากไหนละ่ะมิมเฝ้าทีหิมมาจากข้างบนแสดงว่าอาดาบนี่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละมาจากบนฟ้าจากข้างบน าจากข้างบนมีอะไรบ้างเรานั่งนึกดูสิลมพายุใช่หรือไม่ใช่ฝนตกจากข้างบนใช่ไหมแล้วฝนเนี่ยบางทีมาไม่ใช่เป็นน้นําฝนเป็นอะไรเป็นหินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บางทีก็เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นลมนึกว่าลมพายุมามืดนั่นคืออาดามหมดเลยอ่ะเพะนั้นอาดามเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลนะไม่อยู่ติดกับตัว คนไม่เอาศาสนานั่นแหละละตวงกันข้ามรอฮ์มะก็อยู่ใกลก้กับพูดศรัทธาต่อร้อเหมือนกันว่ามินตัพทีอรุยลีหิมและตัพตาแปลว่าข้างล่างอารุยนแปลว่าเท้าของพวกเขาบางทีมันก็มาจากข้างบนแล้วก็อยู่ใต้เท้าด้วยใต้เท้าอธิบายยังไงแผ่นดินปวน้ำ น้ำโผล่ออกมาจากแผ่นดินกลายเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนี่อาสาบหมดเลยนะ่ะตูลู้ว่าถ้าน้ำมามาแบบธรรมดาเป็นร่ามะล้วก็ถ้าน้ำไม่น่าวก็เป็นร่ามะแต่ของเคสตัวนี้เป็นยังไง <c oughs> ลองลองเดินไปสังเกตดูสิอัลลอฮฺไม่น่ามองเลยมองก็ไม่น่ามองเพราะมันสกรปรกหมดแล้วนี่อาสาไปไ ม, ไม่มาแล้ะอยู่ตามคลองฉะนั้นอัลลอฮฺ จะให้รัมมะเกิดขึ้นก็ได้จะให้เป็นอาดาบก็ได้อยู่ที่อำนาจของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาล ะ, ะนั้นที่บูท่านขอขอว่าให้ให้ลงมาไวๆนะอาดาบลงมาไวๆนะอัลนะอลนะอฮ์เล่าให้ฟังนะอาดับไม่ได้อยู่ไกลจากพกคุณหรอกอยู่บนหัวคุณนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่เท้าคุณนั่นแหละมาเมื่อไหร่ก็ได้ะนั้นอยู่ที่เท้ามาจงแผ่นดินไหวน้ําท่วมน้ําออกมาเนี่ยใช่ไหม เป็นอาสาบทั้งหมดจากข้างบนลงมาฝนตกลงมาไม่หยุดก็เป็นอาดาบลมลมแรงๆก็เป็นอาสาบได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นนบีจึงสอนอุมมาของนบีสอนพวกเรานาบีเนี่ยเวลาลมพายุมาเนี่ยเห็นลมพายุมาเนี่ยนบีกลัวแล้วพอนบีถูกเล่าอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าระวังนะ พวกอาตมูดเนี่ยถูกลงโทษด้วยอาสาบลมพายุมาลมหนาวเจ็ดวันเจ็ดคืนมานาบีจำตลอดนะจำหมดของที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีจำหมดเลยฉะนั้นพอเวลามืดมื่นเหมือนกับลมจะมานาบีกลัวแล้วะทายิงไอาชาเล่าเองนบีเดินจากบ้านเข้ามัสยิดจากออกมัสยิดเข้าบ้านเดินไปเดินมาถามว่านาบีเล่าฉันกลัว ฉักลัวอาดาบเนี่ยลมพายุมาแรงๆก็เป็นอาดาบข้างล่างก็เป็นอาดาบข้างบนก็เป็นอาดาบกลัวอรรถลารมณ์เพราะว่าพี่น้องมุชริกเนี่ยเล่นงานนบีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมละ่และแต่พวกนี้ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอานบีไม่เอาคุรานไม่เอาซุนนะนบีอัลลอฮ์ขวางนบีทุกอย่างเนี่ยอาดาบมันมาได้ตลอดเวลาแต่พวกนี้กับท่า อ, อีกอ่ะอ้าม้าสิม้าสิโอโหจังครับ วายากูลและเขากล่าวว่าไอ้เขากล่าเนี่ยตำิ่นาที่บายอย่างนี้อัลลอฮ์กล่าวหรือมาลายิกะกลา่าวทามลายิกะกล่าวแสดงว่าอัลลอฮ์สั่งมาลายิกะให้มาพูดบางทีอัลลอฮ์ก็ตัดเองเอ้าลูกูจูกูแปลว่าอะไรนะจงชิมทำไมใช้าภาษาชิมล่ะ ก็แม่บ้านเนี่ยแกงอร่อยแม่อร่อยนี่ชิมรู้ไหมรู้เลยนะแล้วผู้ชา้าด้วยเหมือนกันเอาอะไรนะชิมส่ปากนิดนึงรู้เลยเนะี่ยอร่อยแม่อร่อยเพราะฉะนั้นไอการลงโทษนะเป็นการชิมหรือพูด ง, ง่ายๆการลงโทษบนดุลย์ยาบปนี้มันไม่ต่างอะไรก่อนหนังตัวอย่างนั่นแหละให้ดูให้เห็นนเล็กในน้อยอการลงโทษบนดุลยานะ เมื่อเทียบกับอะคริลแล้วนะบนดุงยานี่จิบจ้อยถูกเล็กๆในนอนเดี๋ยวไปเจออีกด่านหนึ่งอะคริะหลังตายเจอใหญ่กว่านี้อีกฉะนั้นดูกูอันนี้ชิมไปก่อนชิมหนังตัวอย่างไปก่อนดูหนังตัวอย่างไปก่อนอัลลอฮฺอัลลอบัดฉะนั้นอย่าให้มีการลงโทษบนดุงยานี่เลยได้รอกมากดีกว่าเอาแต่รอกมากรักมากรักมาเอามาเก็บไว้ในตัวเราดีกว่านะ อยู่ศาสนาของอัลลอฮ์ละอาดาบไม่มาครับทำอัูดเลิละรูคุมากุนตุมต้ามาลูจงชิมนะครับสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อะไรได้ประกอบเอาไว้ได้ปฏิบัติแสดงว่างานที่พวกเขาทำนะงานชั่วหมดเลยน ะ, ะปะโครับรูปเจเวดอื่นจากอัลลอฮ์งานชั่วนะงานดีงานดี ไปหาโตตะเกียงานดีหรืองานชั่วไปหาโตะระยองงานดีหรืองานชั่วมาไปหาหมอดูงานดีงานชั่วหมดเลยที่เขาทำอะ่แะแต่เขาใช้แผ่นดินอัลลอฮ์เดินแล้วใช้ออกซิเจนของอัลลอฮ์หายใจอะ่ะถามว่าอัลลอฮ์ไม่มันไส้ก็มันไส้อาลลอฮ์บรรษัทส่งนบีมาสอนด้วยด่านดานบีอกีกอัลลอฮ์นักขนาดไหนฉะนั้นฟาลูกูฟลูกู อ, อัลลอ กล่าวหรือมลัยกากล่ า, ลาวว่าจงชิมการลงโทษมาคุณตุมตาละมูลจงชิมสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ถึลงว่าอาดาบมาไหมมาครับอทีนี้พูดในเรื่องอาดาบเนี่ยนะการลงโทษของอัลลอ์เนี่ยในไฟนรกอาดาบบนดุลยาเนี่ยเบาหน่อยนะแต่อาดาบนอาซิระหนักพงอ่านฮะดิษพบ น บ, บีสอลใหญ่ยี่นะครับฟันของชาวนรกฟันนะเอาฟันอย่างเดียวนะฟันของชาวนรกเรียกในภาษาหะดีส์ว่าด็บซุนหรือว่านาบุนเขี้ยก็ได้เขี้ยวของชาวนรกนี่นะใหญ่เท่ากับภูเขาวะารภูเขาอ้โหเขาแสดงว่าร่างใหญ่มากนะ โอ้โหใหจริงๆเลยนะเฉพาะฟันอย่างเดียวนี่นะเท่ากับภูเขาออฮุดอย่าเข้าแม่ละขออุญาต่อเลาะให้ห่างกกลจากไฟนรกพี่น้องแล้วก็หนังของคนกาเฟสขนาที่อยู่ในนรกเนี่ยหนาเท่าไรหร่รู้ไหมใช้เวลาเดินสามวันจากนี่ไปเชียงใหม่เดินเดินเดินกี่วันถึงฮาริสเดินกี่วันถึงเคยสเกตไห เชียงใหม่อ่ะวันหนึ่งเดินไปกับสามเที่ยวหนังยาวใหญ่กขนาดนั้นนะเชียงนี้ก็เชียงใหม่ในะหนังยังยาวยังใหญ่กว่านี้อีกสามอีกสองเท่าอีกสามเท่ า, า, ทาหนังทาไมอ่ะทําไมหนังถึงหนาขนาดนี้หนังชาวนรกอ่ะเวลาเอาลอดทดสอบให้งูกัดหนังเนี่ยพิษมันจะค่อยๆลาอัลลอฮฺมันทรมานจริงๆตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นทรมานที่สุด นี่จะพอฟันอย่างเดียวนะเท่ากับภูเขาหอวหุดแล้วก็หนังเนี่ยใช้เวลาเดินกี่วันสามวันเป็นฮะดีสของอิหม่ามมุสลิมอัตวามัอีฮาดิสหนึมาใบนยนงมังกิบใยนิลกาฟฟิร์วันฟินนาริมาซีโรติซาลาซาตาไอยยามินลิลรอจิบิลมุสลิยาหัวไหลของคนกาเฟตเนี่ยไหลซ้ายกัไหลไหลขวาเนี่ยนะใหญ่ขนาดไหนใช่ วิ่งช้คนวิ่งนี่นะประมาณสามสามวันใช้คนวิ่งสามวันหลนี้ก็หไหลนี้หนังเนี่ยเดินไอ้นี่วิ่งเอาคนวิ่งเก่งๆใครที่วิ่งทั่วประเทศขอสตางค์ชื่ออะไร <c oughs> ตูนๆนะ รอวิ่งกี่วันน่ะรอวิ่งสามวันรออักบัตคือไหลนี้กับไหลนี้นะหนังอย่างเดียวน่ะเดินสามวันไอ้นี่วิ่งสามวันเอาโอ้โคขนาดไหนพี่ต้องนึกภาพเองก็แล้วกันนี่เป็นฮาดิ้สกัอิหม่ามุสลิมนะอีกฮารดิ้หนึ่งติงหูติงหูของคนกาเฟ่บางคนนะติงหูกับไหลของเขาเนี่ยติงหูกับไหล ติงหูกับไหลห่างกันใหญ่ขนาดไหนนะเท่ากับสบายนะคอรีฟันเจ็ดิบปีอ๋อใช่เดินเจ็ดสิบปีติงหูนี่กับไหลเนี่ยคนนี้ของเรามองดูแค่นี้ใช่ไหมลนะ่ะแค่นี้เองแต่นยูถ้าอยู่ในโนรกปั๊บเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบปีเสดงว่าร่างใหญ่มากเลยนะคนหนึ่งอะ ฉะนั้นจะเข้าหรือไม่เข้าดีถามพวกเราเข้าหรือไม่เข้าอย่าเข้าเลยพี่น้องมันทรมานที่สุดนะแค่ติงหูกับลายอย่างเดียวน่ะชายเดินน่ะเจปี Allah, อัลลนะอฮฺนะอุสบิลลาฮิมิญจาลิกพี่นะ้องอ่ออุบิลลาฮิมิญจาลิกฉะนั้นในคุรานธิบายบอกว่าตะดามันอัลบาลาวาตาวันลานรกจะเรียก คนที่หันหลังให้กับอัลอิสลามนารกจะเรียกคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานนารกจะเรียกคนที่หันหลังให้กับซุนนะนบีนรกจะเรียกกับคนที่ปฏิเสธลูกคนอีมานทั้งหมดนรกจะเรียกคนที่ปฏิเสธลูกคนอิสลามหประการแล้วก็ว า, วาจามาอาฟะอวานรกจะเรียกคนที่สะสมเงินทองเอาไว้ยเยอะๆมายอมจ่ายสากาดมานี่มานี่มาอยู่กับฉันนี่มาอยู่กับฉัน นรกเรียกว่าจามาเอาเอาแล้วก็อะไรอย่ารักษาไว้เก็บเอาไว้ไม่ยอมจ่ายอากาศไม่ยอมจ่ายสติก็ไม่ยอมจ่ายฮัลโหลไม่ยอมจ่า ย, ย, ย, ยวากับดูแลงานาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยช่วยเลยอ่ะนี่นะใครที่ทําตัวแบบนี้แล้วก็ตายไม่ได้ต่อ ба ตัวต่อรอพอฟื้นขึ้นมาในรกมันนี่ ม, นมนนนน Allah, ันี่ตายตอัลลอฮฺอักบาร น, น้าอ ah ุศบินล่าให้นนจาดูเนี่ยอันจะพูดอะไรกลัวมหมกลัวครับเอาต่อมาครับนบีสอนอย่างนี้นะครับนบีสอนนะที่นัง่งอ er ่ายัมีอีกข้อดีหนึ่งที่นั่งของคนกาเฟตในนรกเนี่ยนะอันนบีฮุเรย์ร่ารดิยัลลอฮุอันฮูดษอิมัมตีนไมซีบอกว่ามัจลิซุฮูมินฟิจฮันนัมมาบายนามักกะวะลมาดีนะ ที่นั่งของชาวนรกเ น, นี่ยนะความกว้างของมันตั้งแต่มา ก, กามาดีนะกี่กิโลสี่รกิโลเนี่ยที่นั่งนาอุสบิลลาอัลลอฮ์นี่นะนี่นัน่นที่เล่าถึงนรกอย่างเดียวนะจะ่สามสรายกานนี่ก็อัลลอฮ์อาควะกลัวแล้วกลัวอีกนะีน้องนี่คนที่ตกนรกตลอดการใครรู้เปล่าหนึ่งคนมุสริก คนที่นับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือพระเจ้าอื่นคู่กับอัลลอฮ์นี่คนมุสลิมนะคนที่สองวัน ล, ละดีนากกาฟารบูบักัตซาบูเบียยาตินาะคนที่ปฏิเสธอิสลามทั้งหมดปฏิเสธกุรานปฏิเสธ น, นบีม ад, ุ hammad ปฏิเสธสุนนะปฏิเสธรูกล إيمان ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟืน้นไม่เชื่อนะนี่ลงนรกหมดเลยและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนรู้ไหม คนที่เป็นมารับอิสลามแล้วก็ตกมุตตัดไปเยอะนะคนไทยนี่ก็เยอะใครที่มารับอิสลามมาได้สามีคนแขกนะว่าแขกดีกว่ามังา่ายเข้าใจง่ายดีเซแลวมาอยู่ได้พากหนึ่งสามีตายก็กลับไปเป็นมุตตัดอ ย, อ, ยอย่างเดิมเนี่ยคนประเภทนี้นอันตรายอยู่ในนรกตลอดการแล้วก็สี่คนมุนาฟิกห้าอาลุลกีตา ฮัลลุกิตาทำไมต้องตกนรกทั้งๆที่มีคำพีมาแบบปูนอ่านนี่แหละเขาส้งขยานาะเปลี่ยนแปลงคำพีของเขาเองโดยโอลมะมของพวกเขาเองทั้งยะฮูดีและนาซอรอ์เห็นอย่างกับมีนะห้ากลุ่มตกนรกหมดเลยเริ่มคนแขกเราเองก็ดูเหมือนกันที่ไม่เอ า, าศาสนามีเ่าในกรุงเทพนี่เยอะเลยนะ จานั <S <S <ans of religion> ้น <Aware> พ <18 thoroughly> ี่น้องหันมาเรียนศาสนาเธอมาอยู่กับล่อเธอนะเอาต่อมาอายาที่ห้หยาอิบะดียาลลัลลินะมานุอินเอร์ีวาสีห์เฝอยะยาฟะบุดุน ย ا عباد ี الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فعبدون الله أكبر อันนีเนี่ย Allah สั่งให้อพยพถ้าอยู่ตรงนี้ นามาดไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้บริจาคไม่ได้นำมาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้อยู่ตร ง, นนะตร ง, นง เ, เนี้ยนะในคอนเทนตเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอัลลอฮฺสั่งอะไรให้อพยพไปอยู่ที่อื่นต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาถ้าอยู่ตรงไหนก็ตามนะ นำเอาอิสลามคำสอนของอัลลอฮผ่านรอซูนมาปฏิบัติไม่ได้เนี่ยให้ทำไงให้อพยพตัวลาการอพยพนะไปเรื่องธรรมดาในอิสลามของธรรมดาเลยแล้วมันจ่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยพอพระเจ้าอพยพนึกถึงพี่น้องเราที่อยู่ที่ปัตตนานีจังได้ไหมสมัยโกลนี่น่ะที่อพยพ ก, กันมาที่ จับกันมาเป็นเชลยบ้างอะไรบ้างที่ปัตตานีแตกไซบุรีแตกอะไรก็ตามแต่ที่เราเรียกกันนี่นะและพี่น้องมุสลิมเราจากนั่นมาอยู่ในกทมเขาอาจจะเจ็บปวดแต่อัลลอฮ์ก็วางแผนซ้อนแผนถ้าไม่มีพี่น้องจากปัตตานีมาอยู่ที่เมืองที่กรุงเทพเนี่ยถามว่าจะมีมัสยิดไหมอ่ะวันนี้มีมัสยิดเท่าไหร่ในกทมเป็นร้อยน่ะ นี่พี่น้องของเคตเนี่ยมาจากปัตตานีนะมาจากอะไรหมู่บ้านอะไรสนอหมู่บ้านสนอซื้อไปซื้อมามาจากหมู่บ้านสนอต้องขอบคุณเอาละนะที่พี่น้องเราอพยพมาจากนู่นมาอยู่ตรงนี้วันนี้มีมีทีวีมีการสอนอิสลามมีมัสยิดมีคนรับอิสลาม ถ้าไม่มีการอพยพเนี่ยตามกุรอานอาย่านี้น่ะจะมีมุสลิมในกอทมไม่ห่ะมันก็ไม่มีวันนี้พี่น้องมุสลิมจากเซีรยรยอพยพไปอยู่ในโลกยุโรปใช่ไหมไปกันไปไปกันไปนี่เป็นแผงของอัลลอ์ทั้งหมดดูกุรอ่านครับยาอิบาดีอลัลลอ์นีอ่อัอลลอ์เรียกเพราะมากนะเบาของฉันเอ้ย อัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนะ่ะยาอิบาดีบ่าวของฉันเอ้ยอัลลอฮ์คุกบผมาพออ่านแล้วนี่กําลังใจมาเต็มเลยแล้วก็อัลลอีนอามานูบรรดาผู้ที่ إ ي م านเอ้ยเรียกสองครั้งใช่ไหมอิบาดีบ่าวของฉันเอ้ยอัลลอีนอามานุบรรดาผู้ที่มี إ ي م านเอ้ย อัลล์รักหรือไม่รักเมตตาเรากนหดาหนกับแค่ภาษาเรียกนี่โอ้โหปลื้มใจและยาอิบาดิยัลลาดีนะอามานูบ่าวของฉันเอย้ยคนที่มีอิมานต่อฉันเอย้ยฟังตรงนี้ให้ดีอินอาลดีอาลดีแปลว่าแผ่นดินของฉันใครกล้าคุยอัลลอฮ์บอกแผ่นดินของฉันทั้งหมดนี่ ไอเรามีอยู่งานเองตรงนี้นี่ก็ของฉันเหมือนกันเทา่าไรรอยห้ตาราแต่ของอัลลอ์เนี่ยอาดีแผ่นดินทของฉันทั้งหมดโลกนี่เป็นของฉันหมดเลยว่าเซอาตุนแปลว่าอะไรนะกว้างขวางแผ่นดินของฉันนี่นะกว้างขวางนี่สอนบ่าวอัลลอ์ทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ต้องการจะบอกว่าจะอยู่ตรงไหนก็ต้องมีาศาสนานะจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ต้องมีาศาสนานะถ้าอยู่แล้วาศาสนาปฏิบัติไม่ได้ให้ทำไงอารดีวาเซียแผ่นดินของฉันกว้างใหญ่ไพศาลฮิตจาล้อไปสิฮิตอไปเลยอออัคบาแท็นยังครับแสดงว่าพี่น้องมุสลิมนี่อยู่กับที่ได้มา ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเลยนี่ท่านนักเรียนเนี่ยที่มาจากต่างจังหวัด ถ, ถ, ถ้ามันถ้าไม่ฮิจราบไม่อยู่ที่นี่จะได้ความรู้ไหมอย่างฮาริสมาจากมาเป็นครูอยู่แต่เนี่ยครูขอพักอะ่ะมันก็ไม่มีความรู้นี่แหละการเตินทางอุปยพออกจากบ้านทิ้งบ้านบ้างอะไรบ้างท่า น, นอย่าจะ อ, อย่ามองเป็นเรื่องทุกทั้งหมดไม่ได้นะนี่ ถ้าเราไม่ไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยยกตัวอย่างอยู่แต่คองเคสของเคสของเคสของเคสหัวสมองก็ไม่แล่นใช่ไม่ใช่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปพบญาติน้องฉันไม่ไปเนีอยู่ตรงนี้แหละผิดเป้าประสงค์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างท่านมาอนะอัลลอฮ์สร้างท่านมาแล้วก็แผ่นดินของฉันนี่กว้างขวางนะ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลับไปอยู่ตรงนี้ฮิเจเรอ์รัตมีบางคนนะ่ยนะกว่าจะตายดีนะ เปียนที่อยู่ประมาณสิบแห่งก็มีมีได้ไม่มีมีครับเป็นของธรรมดาของผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วละ่ะบ่าวของฉันเอ๋ยผู้ที่มีอ إ ي م านต่ออัลลอฮ์เอ๋ยรักษาศาสนาให้ดีนะถ้าอยู่ตรงนี้ศาสนาทำไม่ได้นมาดไม่ได้กุนอ่านลูกอ่านไม่ได้ตัวเองมีมัสยิดไม่ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นดีได้ไม่ดีดอลัลลามด้วยล่ะ อัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮ์ไฟยายาฟาบุดุนเฉพาะอียายาเฉพาะฉันเท่านั้นนะฟาบูดุนที่สูเจ้าจะต้องแสดงตัวเป็นเบาและภักดีต่อฉันองค์เดียวนะนี่ alert เตือน จะอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าลืมฉันให้ภาคดีตัวฉันให้เรียนรู้เรื่องอ إ ي م านของฉันนี่แหละเราเรียนรู้คุารานเรียนรู้สุนันนบีอัลลอฮฺพี่น้องเอาประเพทนี้ปฏิบัติมาใหญ่กว่ า, าศาสนาเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะแต่ทั้นคนที่พูดอย่างนี้นะถูกด่าหมดนั่นแหละถูกตำหนิหมดดูสิมันทิ้นประเภณนี้ มันไม่เอาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเราก็เอาถ้ามันตรงกับท่านนาบีุลสยึดเลยแต่ถ้าไปขวางกับซุนานาบีทำไงให้ทิ้งประเพณีไว้ก่อนแล้วก็ยึดซุนานาบีมาแทนมันต้องอย่างนี้เพราะอาลรถ เ, เตือนอย่างเงี้ยยังอ่ะ <S <S ยาอิบาดียัลลาดีนัอามานูเบาวของฉันเอ๋ยอัลลาีนัอามานูบรรดาผู้ที่ إ ي م านเอ๋ย อินอาโรบีวาสยาแผ่นดินของฉันนั้นกว้างใหญ่ไพศาลอัลลอฮฺอัอักบาร์ไซยายาฟาบูดเพราะฉะนั้นเฉพาะฉันเท่านั้นที่สูรเจ้าจะต้องแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺอักบารอัลฮัมดุลิลลา์ทีนี้นบีอธิบายนะครับอธิบายยนี้นะ เป็นภาษาหะดีก็คืออิหม่ามอห h m a d ได้บันทึกฮะดีบอกว่าก็อัลรัศมล์ลลออสุลต่านอุลมัสสลามอัลบิลาดูบิลาดุลลอแผ่นดินของอัลลอฮ์ทุกตารางนิ้วเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยนั่นคนที่มีที่ดินเยอะๆต้องนึกนะนี่อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นเจ้าของชั่วคราวเป็นเจ้าของกีวันจนกว่าจะตายพอตายพับโฉนดเป็นชื่อของคนอื่นไปแล้วเห็นยังฉะนั้นอย่าหลงวัตถุ มีที่ดินก็ต้องบริจาคเยอะๆบริจาคให้เมื่อเรียนให้มื่อสดยศอยากเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บอัลลอฮไปเก็บไปทําอะไรนะเก็บมาไว้นะครับแล้วก็ทํางานศาสนาของอัลลอฮฺต่อมาครับวันลอิบะดูอิบาดุลลาบเอาขออัลลอฮฺทั้งหมดนี่ไม่ของอัลลอฮฺหมดเลยอ่ะจะเป็นกาเฟ่มุสลิมยิวดีโนสรลนีมุสริ คาเฟใครก็ตามแต่ฮินดงฮินดูในอินเดียเป็นคนของอัลลอ์ทั้งหมด่ะถ้าอัลลอ์จะเปลี่ยนใจให้รับอิสลามภายในหนึ่งนาทีได้ไหมได้ครับนบีก็เคยขอร้องอัลลอ์จะให้คนอาหรับมุสริกรับอิสลามทีหมดอัลลอ์บอก ไ, ไม่ได้แล้วท่านทำอะไระแต่งตั้งท่านมาเป็นนบีเพื่อมาสอนน่ะ แล้วก็จะทำรับอิสลามกันหมดเลยเรามาสอนใครโหโหแต่หน้นพอเราสอนสาศาสนาภาพเนี่เตรียมตัวเลยนะถูกด่าคนที่สอนสาศาสนาทั้งหมดน่ยเตรียมตัวไว้เลยนะมีอุปสรรคหมดมีอุปสรรคหมดอันนี้จะพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฮิจโร่พี่น้องเราปัตตานีฮิจโร่จากปัตตานีมาอยู่ที่กรุงเทพลําบากไหม ลำบากสบายมีไหมมีเอามองแง่แงแง่ว่าอิสลามดีหรือไม่ดีอิสลามเจริญขึ้นในกทมใช่ไไหรือไม่ใช่ทีนี้นบีฮิจรร็จากนครมักกะไปมาดีนะก่อนหน้านี้นบีฮิจรร็ไปเมืองคาบะชาเนี่ยพอกุณอานประทานลงมาป้าบเนี่ยวเผยแผ่อิสลามมีปัญหานาบีสัมบฮิจรร็ไปเมืองคาบะชาก่อน่ะรู้เป่าไปกันกี่ครอบครัว ผมอ่านจากตบสีภาษาอู ด, ดูปดสบสามครอบครัวไปเป็นแปดสบสามสามีภรรยาสามีภรรยาไปเป็นคู่คู่คู่คู่เนี่ยแปดสบสามคู่แล้วก็ต่อมาอัลลอ์สั่งให้นานบีฮิจรอจากมักกะไปอยู่ที่นครมดีนะฮิจรอกับเมียรอดอันไหนหนักอันไหนเบา ของชาติบรรยานิดนึงอิสราอแม่รอเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเท่าไหรนะพอมีบุรอกใช่ไหมอลัลลอฮ์ส่งบุรอกมายิบรีนมาพานาบับีขึ้นเลยจากมักกะไปอะไรมาเป็นมาดิสเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนไปรับนามาดมาไม่ได้เหนื่อยเท่าไหรนะแต่ทําไมเวลาฮิจรร้อนจริงจิอลัลลอฮ์ให้นบับีเหนื่อยมากเลย แล้วก็ไปคนเดียวป่ า, ปาไปใต้กระท่านอาบูบกักเหนื่อยได้ไหมเนื่อยเหนื่อ ย, อยแล้วก็มีคนมารอบข่าใช่ไหมวิ่งตามน บ, บีอูดต้องร้อยตัวนะเดินพัานนะาใครจับมูฮัมหมัดได้อาบอูดไปร้อยตัวรวยเลยนะทีแรกจับน บ, บีได้ปล่าน บ, บีเดินทางไปแอบที่้นภูเขาใช่ไหมไปอยู่กระท่านอาบูบกักทําไมต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้ ทำไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ทำแบบไปไ ป, ไปเมียรอดใช่ไหมปุ๊บทำได้ไั้มได้นี่ต้องการจะสอนนบีแล้วก็สอนพวกเราวันนี้ด้วยการฮิจรราะนบีให้ตลอดนะให้ให้ให้นบีไม่ได้เอาเลยนะวางแผนให้ให้คนกาแฟ่เป็นคนนำนบีนะที่ไปมะ ก, กาณ์นะที่ไปจากมะ ก, กาไปมา ด, ดินาเนี่ย นบีเอาตังให้เอาตังให้เอาตให้เพื่อที่จะสอนพวกเราวันนี้ว่าในการเผยแผ่อิสลามนี่ก็ต้องมีแผนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีแผนต้องวางประชุมกันใช่ไหมหมุสาวรอกันแล้วก็วางแผนแล้วก็วางไว้ใจในอัลลอฮ์แล้วก็ต้องให้เยอะๆไม่ใช่รับอย่างเดียวนะอา้าวนบีพอไปถึงนครมาดีนาะจากมักกาไปนะสร้างบ้านก่อนรื้อสร้างโซลาก่อน สุเราเชื่ออะไรมัสยิดกูบาเห็นยังครับนี่สอนพวกเราวันนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามพอไปอยู่จะตั้งหลักแหลงในหมู่บ้านนี่ถามมาสุเราที่นี่มีเปล่าถ้าไม่มีอย่าไปตั้งลูกเราอ่านกุณอานไม่ออกปลอดภัยอ่ะไม่ได้ยินเสียงอาญาเลยปลอดภยัยอ่ะนี่ไงอิสลามสอนจะอยู่ที่ไหนก็ตามนึกถึงอะไรก่อนไม่ใช่นึกถึงบ้านก่อนนึกถึง มัสยิดก่อนนี่เป็นต้นนี่อิสลามสอนดีไหมดีครับฉะนั้นยาอิบาดีอัลละีนญะมานูอินน์อารบีวาเซอะฟะอียายาฟาบุดูนเบาของฉันเอ๋ยผู้ที่มี إ ي م านเอ๋ยเรียกทั้งสองคำนะ่ะเมตายังไม่เมตตาเมตตาสูงสุดเลยแล้วก็แผ่นดินของฉันเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาล นีถามว่าฮิจาร้อนเนี่ยงานหนักหรืองานเบางานหนักครับหลายคนฮิจาร้อนไม่ได้เพาะห่วงดินฉันมีที่อยู่ที่มากานะ่ะยกตัวอย่างฉันมีร้อยไร่ถ้าฉันไปอยู่มา ด, ดินาฉันทิ้งที่ไปร้อยไรนะ่น่ะอัลลอจะวัดใจเองเองรักที่ดินหรือรัก อ, อัลล <c oughs> อฮฺเห็นยังครับพอการทดสอบหมดเลย ฉะนั้นถ้าใครที่เลือกชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ให้เขาจนแล้วก็ลำบากยครับสง่า ง, งามอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่กับแผ่นดินอยู่กับดินไม่ช่าก็หมดไม่ช่าเอ็นก็ตายพอตายพระกากกาเป็นมรดกอิสลามไม่มีอิมานไม่มีตักวาไม่มีเอียซานไม่มีอมมมเอ็นอย่างัไงท่า น, นอย่าหลงวัตถุเยอะพยายามใช้ชีวิตอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์แล้วรอซูุให้มากที่สุดมีเงินมีทองบริจาคเพื่ อ, ออิสลาม ให้ศาสนาเนี่มันจเจริญด้วยเงินของเราด้วยความสามารถของเราด้วยความรู้ของเราที่อัลลอฮ์ให้มานะด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยให้อิสลามมันจเจริญผ่านเราเป็นคำเดลิลละตัวลงว่าท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้อพยพเลือกมักกะเลือกมา ด, ดีน่าเป็นไม่จะเลือกคับช่านะเลือกอะไรนะเลือกมา ด, ดีน่าให้นาดีอพยพไปแล้วอพยพเนี่ย โอาโหเดินทางตั้ง13วันกว่าจะถึงนะความจริงขึ้นบูรอกไปในแป๊บเดียวก็ถึงใช่ไหมเอาต่อมาครับอายาที่หกสิบุลนัฟซินไดิกตุลมาตุธุมมิเลนาตูรอจนกุลนัฟซินไดิกตุลมาตุ ทุมมาอีเลนาตุร <Allahu Akbar. S 1> ตออ จ, จราา้างอุลอัลลอัลลอฮ์อัลลอัลออัลลอฮ์อัลลอน์อัลลอฮ์อลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลฮ์อัลลอฮ์อัอฮ์อัลลอฮ์ัอฮ์อัลลอ์อัลลออัลลัลอลนะนนะอฮ์ัลลอฮ์อัอัลลฮอัลลอฮลลัล์อฮ์ลั ฉันมีที่ดินฉันมีนี่มีนี่มีเงินมีทองโอ้โหมีอภ า, ารเป็นอยู่ตรงนี้แล้วจะจะไปยังไงเนี่เยเลยนี่อัลลอฮฺสั่งแล้วก็กลัวเอครั้งหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรอัลลอฮฺสั่งในพิคุรากุลูนับสินกุลลูแปลว่าทุกๆนับสิ้นแปลว่าชีวิตทุกๆชีวิตทุกๆคนนั่นแหละ ซาอีกอร์ตเมาเป็นผู้ชิมเป็นผู้ลิม้มเอนเมาดความตายเอาเรื่องความตายมาอธิบายว่าไม่ต้องกลัวตายเวลาโอพยพยจากทิ้งบ้านตัวเองต้องไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอย่าคิดเรื่องความลำบากอย่างเดียวคู่กับลำบากอะไร สบายถามว่าพี่น้องจะปัตตานีเราเนี่ยที่อพยพกันมาวันนั้นเนี่ยมาอยู่ในกทมวันนี้เนี่ยถ้าคิดถึงเรื่องความลำบากอย่างเดียวน่งของเราได้สร้างไหมล่ะไม่ได้สร้างฉะนั้นวันนี้ลูกหลานปัตตานีเต็มไปหมดเลยในกทมแล้วก็ที่อัลลอ์ให้น่ะได้ที่ดินเยอะมากเลย แต่พวกเรากนรักษาไม่เป็นขายเกือบหมดใช่ไหมไม่ใช่เราทำผิดเองตั้งหากแหละถ้าเรารักษากันไว้นะดูแลกันให้ดี น, ะนี่แถวนี้มันของมุสลิมหมดเลยนะซีคอนเนี่ยคนที่มุสลิมอะ่ะถเราดูแลไม่เป็นโทษใครอะ่ะโทษตัวเองนั่นต้องขอบคุณอโลย์เยอะๆฉะนั้นอย่า ก, กลัวความลำบากเรื่ออายานิสอนนะ กุลลูนับซินซาอิกะตุลเมาทุกๆชีวิตต้องเป็นผู้ลิ้มรสความตาแฉะนั้นอย่ากลัวตาอย่ากลัวเรื่องลาบากอัลลอฮ์มันมีลาบากกับสบันของขู่กันอย่ากลัวการเจ็บไข้ใดป่วยเพราะการเจ็บไข้ใดป่วยมันลดโทษเห็นยังสบายใจพระอ่านกลกุร อ, อานอ่านฮะดีษอัลลอฮ์พระอับัชีวิตของเราเนี่ยทำมีอิมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะ มีตักวา่ามียากตีมีสุ น, นัขนบีแล้วก็มีอิหม่านเยอะๆนี่นะอะไรก็ตามที่มาประสบกับเรามีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์หมดเลยแค่นานตามนบีสอนนะ่ะเดินเดินมาหนาตามลดโทษไม่สบายลดโทษจนลดโทษตอดทนนะท้อทนทวอวยไว้ๆๆก็ คะแนนมันก็ยุบหายไปเยอะอย่าบ่นเยอะทำอย่าลืมเลยลุยลูนับสินทุกๆชีวิตนั้นต้องชิมรสแห่งความตายทีนี้ก่อนตายเนี่ยในกุรานไา้ย่าอื่นนะคุรานอธิบายกุรานวันนับลูกุมบิชารีวลข้ายที่ฟิตรนะนะครับใ น, นสุราอัมบิยะเราเนี่ทดสอบสูเจ้าให้มีความลำบากแล้วก็ให้มีความดี อะไรมาก่อนอลำบากมาก่อนแล้วก็ความสบายจะมาตามามาที่หลังนี่อลัลลอสอนเราฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนก็ตามต้องนึกเดี๋ยวปัญหามันมาแหละนี่นักเรียนจะเดินทางไปต่างประเทศสองคนเนี่ยต้องนึกก่อนนะฉันต้องเจออุปสรรคที่สนามบินเจออุปสรรคบนเครื่องบินเจออุปสรรคที่สนามบินต้องเจอเรื่องลาบากมาก่อนแล้วก็ความสบายก็จะตามมาที่หลัง นี่กูอ่านสอนเราใช่ไหมดัะนั้นอย่าอยาไปคิดเรื่องสบายอย่างเดียวคิดเรื่องอะไรก่อนลําบากก่อนทีนี้คนทำํำไมลําบากเลยอ่ะจะดีเหรอไอ้ความลําบากทำให้เราฉลาดใช่หรือไม่ใช่อดหิวหิวเนี่ยอดรอทให้อดทนอดรอลอําบากก่อนแล้วก็สบายมาทีหลังนะอย่าลืมนะเอาต่อมาครับ เมื่อสามสี่สัปดาห์ผมอ่านคูติบางอัลลอฮฺการอัลกุรอานเน่ขอทวนนะทำหนึ่งได้เท่าไรทำความดีหนึ่งเท่าอัลลอฮ์ให้สิบนบีขอทวนตอนรอรอลารยะจะน้อยไปให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหม อัลลอประทานมาอีกถ้าจะทำความดีมากกว่าสิบนะ่ะให้บริจาคโดยใช้ภาษาว่าให้อัลลอขอยืมคุณจะได้มากกว่าสิบให้ให้เยอะจะไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ไงนบีก็มานั่งขอดูลอาอีกตอนกลางคืนนะ่ะที่บ้านนะ่ะอัลลอฮฺฮุมมัซิฎานีอัลลอจะเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเอาตัวเลขกลมๆ ออลก็ประทานอัานคุรอ่านเรามาน บ, บีเป็นห่วงเห็นยั ง, ยงห่วงพวกแทนพวกเราวันนี้ฉันให้ถ้าให้อลัลขอยืมจะได้เจ็ดร้อยเท่า้าบริจาคนะอลัลให้เจ็ดร้อยเท่าตอนไหนให้ดูตัวอย่างข้าวที่อยู่ในนาคุณนั่นแหละไปดูสิข้าวเม็ดหนึ่งเวลาโปร่งลงไปนะมันจะมีรวงขึ้นมาใช่ไหมต้นหนึ่งมีกี่รวง เจ็ดรวงรวงและหนึ่งรอยเท่าไรเจ็ดร้อยเอาไปเรีกกลมกลมขนาดอัลลอฮ์ให้เจ็ดร้อยเท่านะบีอัลลอฮ์อัลลอฮุมะซินต์นี้ขอเพิ่มอีกหน่อยเป็นเจ็ดเป็นแปดร้อยเก้าร้อยได้ไหมนี่นบี ม, ม, ามาุฮัมมัดนะเป็นห่วงแทนพวกเราใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วอลัลลอฮ์ประทาอัลกรุรอานลงมาอีกวัสบิรูจงอด ถ้าทำความดีแล้วผ่านการอดทนอย่าโยวยวายมีความเดือดร้อนเจ็บไข้ใ้ป่วยอย่าโยวยวายลำบากอย่าโยวยวายมีปัญหาเดือดร้อนห้ามโยวยวายให้อดทนเอาไว้เนี่ยนะอดทนนี้รางวัลมากกว่าเจ0ดร้อยเท่าตั้งแต่สิบถึงร้อยถึงเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยถึงพันถึง1มื่นถึงแส0เลยแต่ต้องมีอดทน นี่เหยังอิสลามฉะนั้นใครที่ต้องการจะมีรางวัลเยอะๆนั่นนะ่ะต้องอะไรอดทนครับถามว่านาบีอดทนหรือไม่อดทนอัลลอฮ์สวาบานาบีหิวข้าวมาขออาหารนาบีเปิดท้องให้นบีดูผูกหินเอาหินเนี่ยอะไรนะ่ะผูกกระทองไว้นกะก้อนนะึงเพราะ พอเปิดท้องให้นบีดูนบีก็เปิดท้องมากที่สองก้อนนบีภูไปก่อนแล้วเห็นยังครับนั่นชีวิตของนบีเห็นยังครับพี่น้องนบีเคยโวยวายไหมล่ะนี่ไนงะพอเราเรียนคุณเรียนฮะ ด, ดีแล้วอัลลอฮฺวเราอยู่เพื่อ Allah, อัลลอฮ์นะเราอยู่เพื่อรับใช้งานศาสนาของเราเราอยู่เพื่อดูแลผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้มีอิมาให้มีตักวา่ามียักินมีอิสซามีอิคลา เราก็สา ม, มารถที่จะเอาซุนนะนบีประชาที่บ้านเราประจําวันได้ด้วยนะครับเอาต่อมาครับซุมมลมายไลนาตูรยานแล้วก็ในไม่ช้าเนี่ยพวกท่านจะต้องกลับไปหาเราห์ะนั้นรางวัลอยู่ที่อัลลอฮ์ S. ทั้งหมดไม่ใช่ทําทําทําแล้วได้ไม่ได้รางวัลไม่ใช่ต้องกลับไปหาฉันแล้วมอบรางวัลจากฉันจากมืออัลลอฮ์ประหารของ All อัลลอฮ์สุลตานอูดอะไร ที่น้องหมอดูนะัอิสลามเนี่ยห้ามหรือไม่ห้ามห้ามไหมห้ามดูหมอดูหมอดูว่ามันรู้เรื่องข้างหน้าโกหกหรือจริงโกหกแล้ววันนี้นะคนเชื่อของโกหกเยอะหรือไม่เยอะยุมินูนับิลบาติลีมานต่อสิ่งโกหก หมอดูนะหากินได้ง่ายมากอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะคนยังเชื่อสิ่งที่โกหกอยู่วันนี้เชื่อหมอดูเห็นมนกะุลอาธิบายชัดเลยนะว่ามาตาดรีมาซาตซิบูโคเดนท่านไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้นะท่านจะทำอะไรแล้วหมอมาได้ยังไงหมอมาได้ยังไงนี่ไงถูกหลอก อ่นบบานาบีอิสาน่าตาเบื่อไม้กังเขนทุกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกทุกหลอกคนเชื่อหมดเลยอ่ะแต่กุณอาณา่านอธิบายยังไงไม่ใช่น บ, บีอิสาถูกยกไปเดี๋ยวก็ใกล้ๆวันกิมัดจะกลับมาอีกทีหนึ่งทุกหลอกอ้อไม่ได้สร้างโลกใบนี้ถูกหลอกใช่ไหมธรรมชาติสร้างอะไรธรรมชาติสร้าง แผ่นดินเกิดมาเองเหรอดวงอาทิตย์เกิดมาเองเหรอนี่ทูกลองหมดเลยอ่ะฉะนั้นทาเราไม่เรียนคูณอ่านอย่างเดียวนะแล้วก็มนุษย์ชาญดเราวิ่สอนว่างไง ร, รู้ไหมมนุษย์วัฒนาการมาจากได้ลิงงมมาเรียนวิชาเนี่ยอาจารย์ยืนสอนเป็นสามเกตนะมนุษย์มาจากลิงเ้ยเราใช่หรือเปล่าเพราะนี่เราพูดทุกวันเลยนะ มนุษย์มาจากลิงวัฒนาการมาจากลิงแล้วกูน้าบอกก็ไม่ใช่มาจากนบีอาดัม่ะอาจจะเชื่อใครมนุษย์ก็ถูกหลอกอีกทนเนี่ยเต้นไม่หมดเลยเอาตัมาอายะสุดท้ายกับวันละีนามนูวะมิลุสซาลิฮาดและตูบาวิอันหุมมินัลจันนติกรอฟา ت ج ر ي من تحته الأنهر ا ا خليدي ا نفيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبوء أنهم من الجنة غ ر ف ا เจริญมิ่งใต้แห่อ <normalmente> ันห์ท้าวิญนิพพินัฒน์นิยามเตรมพร้่มเรไอ้ เตือนคนมุสลิมคนมุมินที่อีมานตลอดทั่วโลกนะให้เตรียมพร้อมอย่าทิ้งอิสลามให้เรียนรู้เรื่องอีมานให้รักษานามาให้จ่ยจสากาศให้ถือศีลอดให้ทำดีกับพ่อแม่อย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องนี่สั่งเอาไว้เนี่ยอมาดูคำแปล วัลลนละีนอามานและบรรดาผู้ที่อีมานถามว่าอีมานนี่มาง่ายหรือมายากถ้าไม่เรียนมาไหมไม่มาหรอกครับมันต้องผ่านเรียนฉะนั้นโรงเรียนศาสนามัสยิดต้องมีครับเพื่อที่จะสอนกันอบรมกันแล้วก็วามิลุซอร์ลิฮและประกอบการดีทั้งหลาย ต้องเรียนเรื่องอีมานผ่านกุรานผ่านสุนนนบีนะครับแล้วก็ต้องมีอามันที่ซอแล้วรูปแบบของท่านนาบีที่ปฏิบัตินะ่ะนบีนามาดยังไงอาบน้ํามนามาดยังไงคายของน้ํำยังไงอยู่กับภรรยายังไงอรอญาติอยู่กับญาติพี่น้องทํำยังไงต้องเรียนหมดเลยนะ่ะถ้าอย่างนั้นอีมานมันก็นมาไม่ได้เป็นแขกกล่าวกัลิมาชาฮดาแล้วไม่เรียนเ ล, เลยได้หรืไม่ได้ มันก็ไม่ได้มันก็ต้องเรียนน่ะถ้าเราเรียนกต้องจ่ายตังค์ไม่ล่ะมันก็ต้องจ่ายสตังค์น่ะแต่รางวัลในการจ่ายสตังค์มีไหมมีครับอาต่อมาครับมันต้องเตรียมเตรียมมเตรียมให้พร้อมนะเตรียมเรียนรู้เรื่องอีมานแล้วก็มีอามันทีซอแล้วจะอยู่ตรงไหนก็าตามของแผ่นดินนี้สัญญาอาลัลลอฮ์ว่าไงครับลาตูบ่าววอานนะฮุม แปลวา่าอยู่บาวีปวาแปลว่าอะไรนะเราเนี่ยจะให้พวกเขาทำนักอยู่ถ้ามีอีมามีมีอามันติซอแล้วเราจะให้พวกเขานั้นอาศัยอยู่หลังจากตายไปแล้วนะฟื้นขึ้นมาในวันเกียรมะอัลลอฮฺจะให้คนที่มีอีมานกับคนที่มีอามันติซอแล้วนะอยู่ที่ไหนหรวะบ่าว ฟิมิน ม, มินันย น, นะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสวนสวรรค์ในที่อยู่ของคนมุมินที่อยู่ของคนมุมลิมอยู่แห่งเดียวอยู่ไห น, นสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลลสวนคนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนานะานบีเห็นไหมีหกลุ่มมุตะกี้เนี่ยอยู่ที่ไหน จะหันนำไอ้นี่อยู่ไหนสวนสวรรค์พี่น้องเลือกเอาสิ <laughs> จะเอาโนโรกหรือจะเอาสวรรค์ก็เลือกเอาถ้าเอาสวรรค์อามานุวาอาริลุสซอลีฮัเรียนรู้เรื่องอีหมานต้องเรียนนะ่ะพยายดูแต่ละครละครละครละคร อ, อ, อ, อิหมานจะเข้าสมองตัวไหนน่ะมันก็ต้องดูทีวีของมุสลิมนี่แหละพี่น้องเอาตัวมา ทีนี้ในสวนสวรรค์มีอะไรกับกรอฟันกรฟแปลว่าห้องหรือว่าวิมานเป็นห้องห้องห้องห้องเป็นวิมานอัลลอฮ์อยู่ในวิมานทีนี้นบีอธิบายอีกเขาว่าห้องในห้องยังไงข้างนอกมองเห็นข้างในข้างในมองเห็นข้างนอกสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นึกภาพไม่ออก啊 ตาไม่เคยเห็นเนี่ยอัต น, นาบีเล่าเองนะมือไม่เคยสัมผัสตาไม่เคยเห็นสมองไม่เคยจินตนามาก่อนประเหตุตกใจเลยโอ้ร้อนในสวรรค์ทำไมเป็นอย่างนี้มันช่างสบายจริงๆอัลลอฮฺอักบ ร, ร, รเป็นห้องนะเป็นวิมานแล้วก็ตาจรีไหลผ่านมินตาห์ติฮาข้างล่าง อันหารุณแม่น้ำน่าุ u เนี่ยแต่ว่าแม่น้ำอันหาเป็นพระพุน์แม่น้ำาหลายสายมีอะไรบ้างมีน้ำน้ำพึ่งแล้วก็น้ำอะไรน้ำเล้าแล้วก็น้ำอะไรอีกน้ำอะไรนะน้ำนมแล้วก็น้ำธรรมดาซีสาย แล้ขอที่มนุษย์ต้องการหมดเลยเนี่างน้ำผึ้งต้องการไหมน้ำผึ้งน้ำนมแล้วก็น้ำผึ้งน้ำนมน้ำเหล้าแล้วก็น้ำบริสุทธิ์ธรรมดาสี่สายวิ่งอยู่ใต้แม่น้ำสวนสวรรค์ที่เราจัดให้ใครไม่เอาบ้างอาทุกคนถ้าจะเอาก็ต้องอ่านอายะแรกเนี่ย วันละดีนะมนุษยว่าไม่รู้สอลยต้งเรียนรู้เรื่องอีมาแล้วมีอามันที่ซอแล้วนะอย่าทําบาปนะอย่าทําบาปทีนี้คอลีดีนาฟิฮ์อยู่ในนั้นตลอดกาลอยากออกมาแล้วเขาไม่ให้ออกหรอกแล้วลก็ไม่อยากออกด้วยแล้วก็เนียอามะประเสริฐแท้ๆเนียอามะแปลว่าดีแท้ๆประเสริฐแท้ๆ อัจรุนรางวัลอลามิลีนของผู้ที่ทำงานอย่างแบบเหน็ดเหนื่อยมันเป็นรางวัลที่อัลลอ์มอบให้ให้กับคนที่ทำงานาศาสนาเป็นของประเสริฐแท้ๆอัลลอฮฺอักบัดีนอัลลอ์ให้กำลังใจพวกเราวันนี้การพนงอรพี่น้องคนที่จะเข้าสวรรค์นเนี่ยนะ ไซนาอัลีรอดิยลุลลอฮ์องานุเดกลาวบอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องทําอย่างนี้สม่ําเสมอนะนอกจากอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วนะนามายครบห้าเวลาแล้วนะอ่านโคหนออ่านซิกรุลลอฮ์แล้วนะนิสัยต้องหนึ่งอาตาบัลกล า, ามพูดกับคนพูดกับพ่อแม่พูดกับญาติพี่น้องด้วยภาษาที่ดีๆอย่าตาวาดเขาล่ะ ข้อที่สองอาตอยมุตตามเลี้ยงอาหารคนทำบุญบ้าง น, นำข้าวโอกมาห้ า, าหก ม, ม้อมาเลี้ยงมนสุกดีไหมดีทำไม่เธอททำบุญกีนน้องเนี่ยหนึ่งพูดจาเพราะเพราะสองแล้วก็ทำบุญข้อที่สามถือบวชบ่อยๆอร่อยโทงถือบวชเนี่ยหนัก ถือบวชบ่อยไหมงานหนักหมดเลยนะข้อที่สี่นมาศกลางคืนขณะที่มีหรือสามีทุกคนนอนกันหลับในบ้านชาบ้านหลับกันหมดเราลุกขึ้นมานมาต่ห้าหยุดคนเดียวนี่ไงสี่ข้อนี้เอาลอดเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่หนึ่งอะไรนะพูดจาเพราะเพราะเอาต่อบรกล้ามให้อาหารเลี้ยงอาหารคน แล้วก็ลุกขึ้นนำมาทหายุทธ์ขณะที่ผู้คนกำลังนอนแล้วก็ถือบวชอยู่เป็นประจำอาดามศรยาจันพูรหัสจันพูรหัสถือไอถือบวชนี่หนักนะให้อาหารไม่หนักผู้เจ้าพ่อๆก็ไม่นักตลุกขึ้นทหารยุทธ์เนี่ยหนักผมไปพบแขกคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่า พอได้ยินอาจาร์สุโบที่มัสยิดนี่ไอเสียงอาจาร์ที่มันไปเนี่ยนะแผ่นดินตรงไหนที่ได้ยินเสียงอาจารมันจะมีคารนะนอโอโซนจะมีแกส๊สจะมีของดีๆออกจากแผ่นดินเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ออกนะ หลังจากได้ยินเสียงอาจารย์ตอนนมาศซุโบฮหาแผ่นดินจะออกเอาออกอลลอฮ์จะเอาออกมาเอาแกส๊สออกมาเอาโอโซนออกมาเอาบราร์การออกมาจากแผ่นดินถ้าแผ่นดินไหนที่ขี้เหนียวมากหน่อยนะไอของที่ออกมาจากแผ่นดินจะสูงจะแผ่นดินไปประมาณหนึ่งเมตรถ้าแผ่นดินที่มันใจดีหน่อยนะมันจะสูงประมาณสเมตร ไอโอโซนอันนี้ของดีดอันนี้ปลดกระดับจากแผ่นดินตอนไหนตอนได้ยินเสียงอาจารยเวลาสุบะแล้วใครที่ลุกขึ้นลุกขึ้นนะพะยาลุกขึ้นอ่าภาษามีลุกขึ้นลูกลุกขึ้นลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เดินออกจากบ้านมามัสยิดสูตรอะไรไปอัลลอฮ์นี่งสูตรของที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์เอาออกจากแผ่นดินสูตรเข้าไปในร่างกายของเรา ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกหายใจพี่น้องแล้วก็เดินไปเดินกลับจากมัสยิดแล้วก็นั่งในมัสยิดมันอยู่ในมัสยิดศูนย์อากาศออกซิเจนแบบนี้เนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์พี่น้องตรงกับที่ท่านอบดุลเบี๋ยศมีวันหนึ่งนับดีนามาสมาสบเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมลูกสาวท่านหินฟาติมาฟาติมากำลังนอนอยู่หลังจากนามาสมาสบ นบีบาบอกลูกขึ้นลุกขึ้นพราะจมาจากลุกขึ้นลุกขึ้นอย่านอนเลยตั้งแต่ฟัยัตขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยห้ามนอนเพราะอัลลอ์จัดสรรริสกีให้ก็ตรงกับที่เขาเล่าในผู้ฟังนะอัลลอฮ์จะให้บริกัรจากแผ่นดินเนี่ยออกมาสูงสเมตรบางที่กว่าหนึ่งเมตรพอตะวันขึ้นปั๊บบรากัรมันหมดแล้ว ฉะนั้นการตื่นนอนแต่ซบโบนั้นนะเป็นงานของบรรดา น, นาัลลที่อลัลลอพอใจฉะนั้นต้องตื่นนะจะตื่นนมาซูโบได้หรือตื่นก่อนซุโบนนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันต้องนอนแต่หัวค่ า, อ, าอัลลอถ้าดูละครก่อนนะ่ะ ถ้าเข้าว่าในขับก่อนอัลลอฮฺแอบบะชีวิตบรารักัดหมดเลยนะตัวดั้นเดินตามสุนน า, นานบีพี่น้องอัลฮัมดุลิลละตัวนั้นก็นดีทั้งหมดเลยสรุปนะถ้าต้องการสวรรค์ต้องมีนิสัยหนึ่งพูดจาเพราอๆกับใครกับภรรยากับลูกๆ ก, กับพ่อแม่กับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงอย่าไประตะว่ดเขาแหะอันที่สองให้เลี้ยงอาหารคนอันที่สามให้ถือสิ้นอดอยู่เป็นประจำบ่อยๆ แล้วก็ลุกขึ้ น, นมาตอนกลางคืนขณะที่ผู้คนวันน่าสุนยีย์พละนอนกันเราลุกขึ้นมาทำอิบาดะขับสุฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชอลาอิลลาอิลอันตะ อ, อัสตักุรกะวะตูบอิลลา